แนะนำบทอัลกออัตบทอัลกออัตเป็นบทมัคคิยาะมีสามองค์การได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ต่อนบีของพระองค์ด้วยการประทานความดีอันมากมายและความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ทั้งในโลกนี้และประโลกเช่นแม่น้ำอัลกออซัตและอื่นจากนี้เป็นความดีอันยิ่งใหญ่ทั่วไปให้แก่ท่านท่านรอซูล ได้เรียกร้องให้ทํารงไว้ซึ่งการละหมาดและการเชื่อสัตว์พรีเพื่อการขอบคุญแด่อัลลอฮ์บท น, นี้ได้จบลงด้วยการแจ้งข่าวดีกับท่านรอซู ล, ลล ล, ล, ลอฮฺอะลัยฮุสัลลัมด้วยการให้ความอับประยุกต์แก่ศัตรูของท่านได้ได้กล่าวถึงผู้ที่ท่านเกลียดชังด้วยการให้ความต่ําต้อยและการถูกเหยียดหยามและถูกตัดขาดจากความดีทั้งในโลกนี้และปรโลกในขณะที่การกล่าวถึงท่านรอซูลได้ถูกยกขึ้นสูง บนหออาจารย์และมิมบัตและชื่ออันประเสริฐของท่านเป็นที่กล่าวขวัญแก่ทุกๆคนคงอยู่ตลอดไปชั่วนิรันดิ์ด้วยพระนามของอัลลอผ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออินเาได้ประากแน้ัลเกาซัตแท้จริงเราได้ประทานแม่น้ำอัลเกาซั แต่แนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชื่อสัตว์พลีแถ้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาด